เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุดามาฟังเคสตัดีกันเลยคุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่มีพ่อแม่เดินทางมาจากประเทศจีน คุณพ่อมาเกิดที่เมืองไทยกงเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็ประกอบอาชีพร้านขายยาจีนโบราณได้ชอบเล่นไพ่มากเงินจึงไม่มีเหลือให้กับครอบครัวเลยคุณพ่อเป็นพี่ชายคนโตในพี่น้องหกคนแต่น้องสามค น, นเสียชีวิตแต่ยังเด็กเนื่องจากอาา เป็นวันโรคลูกกินนมแม่แล้วก็ได้ติดเชื้อไปด้วย oh. อมาม่าได้เสียชีวิตตอนอายุได้39ปี oh. แต่กกงเสียชีวิตอายุกว่า8ปสบปี oh. แต่กงไม่ยักติดเนอะ oh. คุณพ่อลำบากมาก oh. เมื่ออมาม่าเสียคุณพ่ อ, อยุได้ส3าปีแต่ด้วยความมีมานะอดทนขยันเรียน แม้จะจบแค่ปสี่แต่คุณพ่อก็ได้เรียนภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาไทยด้วยและพูดได้หลายภาษาทั้งจีนแต่จิ๋วจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนไหหลําและภาษาอังกฤษพูดได้ปานกลางเมื่ออายุได้ยี่สิปีอายุได้ยี่สิบปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ รงงานสุรา oh. มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากได้ทตางงานกับคุณแม่เมื่ออายุยี่สิบ้าปีแล้วก็ได้เป็นผู้จัด ก, การรองงานน้ำตาลโรงงานแป้งมันโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และรองงานน้ำแข็งโดยมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยทั้งห้าแห่ง oh. คุณพ่อคุณแม่มีลูกสิบคนเป็นชายเจ็ดหญิงสามคน ได้ส่งเสริมเล่เรียนเป็นอย่างดีจบปริญญาโทที่ต่างประเทศหลายคนคพ่อเป็นคนอารมณ์ดีคุยเก่งเสียงดังชอบาทำอาหารที่แปลกและมีประโยชน์ให้ลูกๆทานเป็นประจำแต่เวลาทำงานจะเป็นคนที่จริงจังทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นที่รักของลูกน้องปกติจะไม่ดื่มสุรายกเว้นเวลาที่ออกงานจะดื่มเพียงนิดหน่อย ท่ลาออกจากการเป็นผู้จัด ก, การโรงงานทั้ง5ตอนอายุ50ปีเพปีละลูกๆได้เริ่มโตและได้มาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายเครื่องยนต์เก่านำเข้าจากญี่ปุ่นและขายรถมอเตอร์ไซค์มีลูกค้าอุดหนุนมากมายต่อมาก็ได้เลิกกิจการเพราะสุขภาพไม่ดีในสมัยที่ท่านอายุ35ปีได้รับอุบัติเหตุรถชนกัน บาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดมาได้ต่อมาได้รับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีหนึ่งครั้งผ่าตัดดีโรคกระเพาะเป็นแผลอีกหนึ่งครั้งแล้เสียชีวิตดยโรคแทรกซ้อนจากการเข้ารับการรักษาโรคนิ้ว้วยการยิงสลายนิ้ววันที่21เมษา ย, ยน2531โรมอายุได้59ปีตอนมีชีวิตอยู่ท่านชอบช่วยเหลือคนงานขอรู้จัก ชอบทำบุญช่วยงานบุญลงเจตามความเชื่อของคนจีนล้างป่าช้าก็หลายครั้ ง, งทุกวันพระท่านจะให้ลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวชื่อคุณแม่จัดของไหว้พระที่ห้องพระพร้อมท่านเสมอแต่พาครอบครัวไปวัดไกลๆ บ, บ้านเมื่อเสียชีวิตแล้วลูกๆ ก, ก็ได้สร้างองค์พระไว้จำตัวให้ท่านสององค์และบุญอื่นอีกหลายบุญที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับ ซึ่งคุณแมนะ่เป็นคนใจดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่เคยมีอารมณ์หงุดหงิดไม่เคยว่าใครไม่เคยตีลูกทีหลานไม่เคยโมโหหรือโกโรธใครเลยตลอดชีวิต <c oughs> มีบุญอย่างเลยเนี่ยมีความกตัญญูมากดูแลคุณยายซึ่งเป็นแม่ของท่านอย่างดีตลอดเวลาจนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุเกสิปี จากนั้นทำให้ท่านได้มีเวลามาวัดพระธรรมกายทุกงานบุญใหญ่และวันอาทิตย์ต้นเดือนได้สร้างพระธรรมกายประจําตัวสององค์ได้สร้างถวายหลวงพ่อหนึ่งองค์เป็นประธานท่ากถินปีสาและบุญหล่อทองคำหลวงปู่องค์แรกและได้ร่วมบุญอืนๆอีกทุกบุญไม่เคยขาดคุณแม่เป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวและช่วงก่อนงานบุญมาค่าบูชาปี2545ันคุณแม่มาวัดวันอาทิตย์ แต่พักอยู่ที่กรุงเทพเพอ ร, รอมางานบุญใหญ่ในวันอังคารแต่ในตอนสายของวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์45คุณแม่ตรงนี้น่าสนใจอย่าฟุ้งลืมฟังเลยจ า, าตรงเนี้ย ค, คุณแม่นอนเล่นเพราะท่านยังแข็งแรงอยู่ไม่ได้ป่วยอะไรอ่านหนังสือวันสลาย อ, อร่างคุณยายคุณแม่จะเริ่มมาก ที่ได้มาร่วมงานและได้เห็นพระสังฆาธิการมาร่วมงานทั่วประเทศนับแสนองค์ท่านจะพูดถึงงานวันนั้นด้วยความปีติอยู่บ่อยๆ อ, อย่าฟุ้งลืมฟังเลยจ้าแต่แล้วอยู่ๆท่านก็นลุกขึ้นมานั่งยกสองแขนขึ้นเหมือนจะรับอะไรสักอย่าง<อ>แล้วก็วางมือลงหลับตา นั่งอมยิ้มแล้วท่านก็ไม่หายใจอีกเลย oh. ในอมยิ้มนี่อ่าแล้วท่านก็ตรงนี้ไม่ต้องทา <laughs> ไม่หายใจอีกเลย <laughs> เคยได้ยินอย่างนี้ไหมเคสเยไม่เคยครับรนี่ละเคสเดียวของโลกละเคสแรกเลยเนี่ยลูกๆจึงรีบพาท่านส่งโรงพยาบาล ก็ส่งไปทำไมเนี่ยแต่ก็ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นท่านจากไปแบบสายฟ้าแลบจะลุ่มงงไปหมดท่านจากไปเมื่ออายุได้72ปีเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของท่านนิดอย่าฟุ้งลืมฟังนะหรือจะหลับตอนนี้ไปก่อนก็ได้หรือจะเอาไปเล่าไว้ตอนหลังๆไม่ตอนนี้ <laughs> และน้องชาคนสุดท้องเป็นคนพูดน้อยนิสัยดีนี่ฟังให้ดีนะ <Got it. S 1> ตั้งแต่เด็กไม่เคยทะเลาะ ก, กับพี่น้องคนไหนเลยเ oh. มื่อเข้าออเรียนในมหาลายัยคขเพื่อนไม่ดีเลยติดยาอยู่หลายปี oh. พี่สาวก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้หายเคยบำบัดมาแล้วก็ไม่หายขาด oh. กลับมาติดอีกหลายครั้งจนสุดท้ายหนักมากเลยส่งไปยังที่แห่งหนึ่งที่มีคนบอกว่าใครไปก็หายแน่นอน oh. แล้วก็หายจริงๆคือไปได้แค่อาทิตย์เดียวก็เสียชีวิตอายุได้29ปีหายจากโลกนี้ไปเลยตอนมีชีวิตอยู่ชวนมาทําบุญก็มาชวนให้มาบวชก็มาชวนสร้างองค์พระธรรมกายเป็นยำตัวก็สร้าง11องค์ชวนสร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีก็ทําำ1ต้นชวนสร้างเสาเข็มวิหารหลวงปู่ก็ทํา หนึ่งต้นโโและทุกบุญของวัดตามที่พี่สาวบอกอืเห็นไหมครับเขาความไมต่ตาไป่เด็ดไมุลหลวงพ่อฝันให้ฝันให้ด้วยเจ้าค่าเขาเรียนถามคำถามดังนี้เนื่งคุณพ่อคุณแม่น้องชายเมื่อละสังขารแล้วท่านไปอยู่ไหนครับปัจจุบันมีความไปอยู่อย่างไรคะสองทไมคุณพ่อถึงเจออุบัติเหตุและต้องผ่าตัดใหญ่หลายครั้งสมบุญที่คุณพ่อทําไว้กับรองเจจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับสี่ทำไมคุณแม่จิงจากไปเร็วด้วยอายุ72ปีทั้งๆงที่สุขภาพยังแข็งแรงครับ ระวังนะยังแข็งแรงอยู่เนี่ยจะไปนั่งอมยิ้มเลยนี่ยังแข็งแรงทั้งนั้นน่ยเนี่ยดูบุญที่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายได้ทําไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่และลูกๆได้ทําให้ท่านโดยใส่ชื่อท่านท่านจะได้รับเต็มที่ไหมคะการอะไรที่ทำให้น้องชายถึงได้ติดยาจนเสียชีวิตทั้งๆที่มีความประพฤติดีทุกอย่างและเกิดมาก็ไม่เคยลําบากเลยครับน้องชายเสียชีวิตที่26กุมภาพันธ์243 และคุณแม่เสียชีวิตวันที่ยี่ภาคุมภาพันธ์ส5ห้าสี่ห้าห่างกันสองปีญาติบางคนบอกว่ า, นาเนี่ยญาติเนี่ยสงสัยคุณแม่กับ น, น้องชายผูกพันกันมาก<อ>จึงมารับกันไปอยู่ด้วย<อ>เหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้หรือเจ้าคะคนี่นี่นักสันนิษฐานวิทยาตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลท่านได้ทำวินัยกรรมไว้ว่าว่าท่านไม่อยู่ไม่ให้ลูกๆแบ่งทรัพย์สินน้งหลาย ให้ช่วยกันดูแลและสร้างธุรกิจด้วยกันแต่พี่ๆที่โตแล้วได้จัดการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างพี่น้องโดยไปฟังคําคัดค้านจากคุณแม่แต่การแบ่งไม่ลงตัวมีปัญหาเกิดการทะเลาะกันจนถึงทุกวันนี้ไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องยิ่งคุณแม่เสียชีพไปแล้วก็ไม่พูดคุยกันเหมือนแต่ก่อนแบ่งเป็นหลายกกทําอย่างไรถึงจะให้ทุกคนทํามาปล o n ดองกันได้เจ้ะคะ ม, มาฟังกันเลยนี่ฝันนี่ฝันนะ หลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะคุณพ่อตายเมื่ออายุท่านได้ห้าสิบเกปีตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกนี่รัดไปเลยนะหลังจากได้พิจารณาบุญบาปเอาลัดลัดเลยรจริงเขียนยาวเยียดเลยเนี่ยก็โทรพิพากษาให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกหนึ่งปีทิพย์ ต้องอยู่เวร9้าเดืนอนเกเดือนทิพนะพักสามเดืนอนต่อมาเมื่อลูกอุทิศบุญไปให้ก็ได้รับการลดหย่อนลงเหลือเพียงปีละสามเดือนเป็นเจ้าหน้าที่อีก9้าเดือนทิพก็ไปพักจากเ้าลดลงมาเหลือสามโดยไปทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดง ให้กับสัตว์นรกที่มีกรรมดื่มสุรารผู้ที่ทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงนี้เนี่ยใช่ว่าจะสบายตัวเองก็ทุกทร ม, มานเช่นกัน ค, คือเหนื่อยเพราะมันตักไม่หยุดอะแล้วก็หยุดไม่ได้ลแล้วก็ร้อนเมื่อ น, น้ำทองแดงหกรถก็จะต้องรีบทำ เจ้าหน้าที่มันไปทำจะลืมว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกกับในเนืรยนบาลในมหารกไปเหมือนกันนะไม่เหมือนกัน น, น, นี่เป็นกุมภันแต่นั่นเบ เ, เกิดขึ้นโดวยวิบากกรรมของัรกอืมคบเจ้าของวิบากกรรมนะสัตวโรกนั้นนั้นเขาจะไม่ไม่ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างนี้ อ, อถึงไหนแล้ววะ เหนื่อยและ ร, ร้อนเหมือนน้ําทองแดงหกรถก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนสาระโลกอย่างนั้นแหละกระบวยก็หนักต้องตักตลอดเวลาพักก็ไม่ได้เพราะการรมเกิดจากการเป็นผู้จัดการโรงเร้าแม้ไม่ได้ดื่มแต่ก็เป็นต้นแหล่งผลิตสุรารสนับสนุนให้เขาดื่มที่ไปไปมหาสรโลกก็เพราะบุญที่ตัวเองทําไว้และเลึกได้ เมื่อพญายมมาราทัานถามครับคุณพ่อจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่นี้อีกนานทีเดียวครับที่คุณพ่อเจออุบัติเหตุและต้องผ่าตัดหลายครั้งนั้นเกิดจากกรรมทั้งในปัจจุบันและในอดีตครับการปัจจุบันก็คือเป็นผู้จัด ก, การโรงงานสุราซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําอุบาทให้เพื่อนมนุษย์ดื่มจํานวนมากครับซึ่งมาผู้ดื่มดๆไปแล้วก็ทําให้เกิดโทษภัยหลายลอย่าง เ, เสียเวลาเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียคนเสียชีวิตตลอดจนบันทอนสติปัญญาแล้วทาให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นต้นครับกับกำเนิดอดีตที่ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆโอแต่ก็ไม่ถึงเป็นนากธินกรรมแต่ว่าบ่อยๆครับทําให้สัตว์บาดเจ็บและตายบุญที่คุณพ่อทํากับโรงเจก็ได้บุญจแจได้แบบธรรมดาเพราะไม่ถูกเนื้อนาบุญครับ คุณแม่ตายอายุ72ปีทั้งๆที่ท่านยังแข็งแรงเพราะ ต, ตั้งใจฟังนลูกนะแล้วก็เดี๋ยวมีของแถมด้วยจะของเคสตั้งใจฟังนะท่านหมดอายุไข่พอดีอขณะที่ท่านกำลังปลื้มงานบุญสลายร่างคุณยายท่านได้ยินเสียงเรียกชื่อท่าน<อ>ท่านก็นเลยลุกขึ้นมานั่ง แล้วก็เห็นบริวารดีตาเนื้อนี่แหละ<อ>แต่งตัวสวยมาก<อ>นำพวงมลาลัยใหญ่ขนาดคล้องคอเทวดาได้นำมาให้<อ>ท่านก็เลยยื่นแขนออกไปรับ อ, อย่างสุขใจ<อ>จิตก็ดับวูบลงไปทันที<อ>บริวารก็ได้นำท่านคือราชลดรถสองร้อขนาดปานกลางสีทองประดับรับตนชาติ<อ>ไปสู<อ>่<อ>วิมานชั้นดาวดึง มีวิมานทองขนาดใหญ่อยู่เฟสสองจ้ะสาธุบริวารเขาเอาโฟงมาไล่มาให้ล้วเห็นด้วยตาเนื้อ๋อทีนี้เราดูฝันย้อนหลังไปอีกสักนิดนึงครับแถมๆครับครับเรื่องของแม่เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องจริง คล้ายอิงนิยายแต่ก็ไม่ใช่นิยายคล้ายกับเรื่องเรื่องหนึ่งในในธรรมบทมั้งเดี๋ยวฟังกันล้วกันพระลูกชายเตียมไม่ดีคือก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยเธอเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวันดึงแล้วก็มีเทพบตทสามีที่รูปหล่อ เพราะความรอรูปงามแล้วมีรัศมีมากสว่างสวยพูดจาขพรพระพัชรลาดพูดทำไม่เป็นที่รักและเป็นที่หมายปองของเทพธิดาอื่น<อ>เธอจึงเกิดงอนอสามีเทพตระบุบงอนเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละงอนขึ้นมาก็เธอก็เลย ร้อยดอกไม้พวงมะลัยเอาไว้ครับอธิษฐานจิตแล้วเพื่อจะดูใจเทพบุตรสามีด้วยครับว่าจะรักเธออยู่ไหมถ้ารักเธอแล้วก็ให้เอาพวงมาลัยนี่ที่เธอวางเอาไว้นะเอามาให้เธ อ, อแต่เพราะความงอนงเธอเธอเลยจุตินี่ แต่ว่าเวลาบนสวรรค์นั้นน่ะมันแวบเดียวใช่ครับแวบเดียวแต่ก็เป็นเวลา72ปีในเมืองมนุษย์โอ้เทพบุตรหลังจากไปโปรยเสน่ห์ก็ในใจน่ะรักรักที่สุดอยู่คนเดียวแม้สุดที่รักจะมีอยู่เยอะออานึกได้ก็กลับมาเห็นพวงมาลัยอยู่ก็รู้เพราะว่า มีทั้งที่พระจักขุมีทั้งอะไรทุกอย่างเนียโดยอนุภาพเป็นเทวดาก็รู้นะรีบลงมาเลยมองไปอ่าตายนี่พระยาเราลงมาเกิดแล้วแล้วถึงเวลาที่เธอจะต้องคืนไปนี่เธอไปพะงอนเดี๋ยวเธอยังไม่หมดบุญบุญเธอยังอยู่เดี๋ยวต้องไปรับเธอกลับมาก็เลยลงมาแล้วก็เอาภูมิลาัยให้บริวารเนี่ยเอาไปให้เธอ เธอซึ่งบุญยังมีอยู่นั่นแหละแต่ลงมาพ่องอนเนี่ยมองเห็นตาที่ปตามนุษย์มันซ้อนกันอยู่ครับจึงรับแล้วก็รับกลับขึ้นไปวิมานเรียบร้อยแล้วเธอเคยไปครองรักกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันคล้ายคล้ายบางเรื่องอะไรเนี่ย ที่เทพธิดาอยู่ในอุทยานไงจําได้ไหมลูกจําได้ไหมแล้วก็อยู่ๆก็จุติวูบรุ่มใบมาในเมืองมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะครับเรื่องของเทพธิดาที่เป็นภรยาของมาลาภารีเทพบุตรครับจช่ก็จุติตอนที่อยู่ในสวนดอกไม้แล้วก็ทําบุญทุกอย่างก็ปรารถนาที่จะไปอยู่กับสามีแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีจริงๆหลังจากลาโลกไปแล้วครับ เร า, าเป็น ม, มนุษย์ก็มีสามีมีมครอบครัวมีลูกด้วยแต่ใจลึกๆบอกไปถูกบืองกันว่าสามีเราอยู่บนชั้นดาวดึงรเราต้องกลับไปทำบุญกติธฐานไปตรงนั้นนี่เป็นเรื่องที่มันแปลกจริงๆเนะนี่ยนี่ สามีเทพูต้องเอาพวงประดับเนโอลตายน้องตายแล้วลงไปได้ตายรี้หยบอวบริวารลงมารับเลยรพระบุญเขายังอยู่แล้วกลับไปกรองรักกันเรียบร้อยไปแล้ว<อ>น้องชายตายแล้วก็เพราะกรรมปัจจุบันครบคนผ่านกับกรรมในอดีตตัวก็เป็นคนผ่าน<อ>คือชาติในอดีตเนี่ยเป็นหัวโจกชวนเพื่อนกินเหล้าเมายา<อ>เป็นต้นแต่ต่อมาภายหลังก็เลิกและกับฤพูดตัวดี กรรที่ไปชวนเขากินเหล้าออมายาเนี่ยชาตินี้ก็เลยมาเจอคนพาน oh. ที่พาชักชวนตัวไปติดยาแล่ตัวกติดยาครับแต่กา ร, รที่ตัวทําดีไว้ในภายหลังในชาตินั้ น, นทําให้มาเจอพี่น้องที่ดีๆ oh. มาเป็นกัลยาณมิตรให้ครับนนแนะให้มาบวชมาสร้างบุญสร้างบารมีครับเมื่อตายแล้วก็ถูกนําไปยมโลกครับเมื่อพญายามพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาให้มาเกิดใหม่ในเมืองมนุษย์ oh. คืออย่งี้ระหว่างนั้นนี่ย เห็นบุญเห็นบาปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับบุญที่ทําเนี่ยสามารถไปบนสวรรค์ชั้นจะตุได้อ๋อแต่เจ้าตัวบอกว่าขอกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาแก้ตัวอ๋อขอเกิดใหม่มาแก้ตัวอ๋อเออก็แปลกดีนะคือบุญนั้นน่ะที่ทําอยู่เนี่ยครับทั้งบวชเอ่ยทั้งอะไรต่ออะไรเอ่ยเนี่ยสามารถไปได้ครับชั้นจะตุได้ไปได้แล้วทําบุญส่งไปแล้วก็ยังจะเลยไปอีกกว่านั้นได้ครับ แต่เจ้าตัวบอกขอกลับมาแก้ตัวใหม่ในเมืองมนุษย์พญายมราก็โอเคแล้วก็ให้โอวาดบมัอยาไปครบคนพานนครบบัณฑิตท่านให้โอวาาดน้าโอ้โหดีมากเลยยาวเอียดทีเดียวข้อสุดท้ายสมบัติน่มันมีวิบัติติดมานะลูกนะเป็นของร้อนเพราะมาเริ่มต้นมาจากการสั่งสมตั้งแต่พ่อเป็นผู้จัดการโรงงานสุราเรื่อยมา่ะอมันเลยเป็นของร้อน ทำให้มีปัญหาเนี่ยให้ลูกเต้าไม่เชื่อฟังคาสั่งของพ่อที่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมรแล้วก็อบรมสังสองตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา<อ>ความโลภก็เลยได้โอกาสเข้าไปแทรกแสงสิงอยู่ในจิตใจของลูกหลายๆคนในนั้นทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องกระทำนะลูกนะที่ส่งเคสสตดี้มาเนี่ย เราจะไปคุณมัวเราจะไปขัดเคืองอดทนสักนิดทำใจให้ใส่เยือกเย็นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้ตั้งเยอะแยะอธิษฐานจิตทุกครั้งที่เราทำบุญทุกครั้งที่เลิกจากนั่งธรรมะให้พี่น้องทุกคนปรองดองกันแล้วใครจะพูดเรื่องเราล่อนมายัางไงเราต้องเย็นเอาไว้นะลุกนะ แล้วก็คอยดูจังหวะค่อยๆพูดก็ค่อยจกับคนไหนที่พอพูดได้ก็ค่อยๆพูดดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของเขาทุกคนเขาค่มีเชื้อแห่งความดีแต่อนนียมันมีวิบัติติดมากับทรัพนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นตั้งใจเย็นๆนะลูกนะแต่หากว่าโลกผู้ทรงเสตรดีมาใจเยือกเย็นอยู่ในบุญ อดทนให้อภัยทำใจให้ใส่ใสไปทำหน้าที่กตัญญนมิตรดูเวลาและอารมณ์และจังหวะเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายก็จะค่อยๆกลายเป็นดีนะลูกนะ่าลืมนะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ช้าเราค็จะต้องจากไปเพราะฉะนั้นรักษาใจให้ใส่ใสเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยและก็สง่างาม น, นะลูกนะ